ข้อส8สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิบมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นชื่อว่าบัณฑิตอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าพระปจเจกับะพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกพระสาวกของพระตถาคตเหล่าอื่นและครูสุเนศและ อกิติดาบทเป็นต้นในอดิตการพึงทราบว่าบัณฑิตท่านเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเรียกว่าบัณฑิตพระดำเนินไปด้วยปัญญาคติในประโยชน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในอัตถกถาพระอัตถกาถาาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าชนเหล่าใดย่อมดำเนินไปอธิบายว่า ย่อมไปด้วยยานคติในทิฏฐธรรมิกรทะประโยชน์และสัมปรายิกะทะประโยชน์เหตุนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าบัณฑิตแม้ในสัทนีติปกรณ์ท่านพระอัคราวงสาจารย์ก็กล่าวไว้ว่าปฏิทตดเป็นไปในความไปปัญญาใดย่อมดำเนินไปคือย่อมไป ในประโยชน์ทั้งหลายแม้ละเอียดได้แก่ย่อมทราบอาการแม้มีความบีบคั้นเป็นต้นแห่งอริยสัจสี่มีทุกขอริยสัจเป็นต้นเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญธาชนใดไปแล้วคือเติมเนินไปแล้วได้แก่เป็นไปแล้วด้วยปัญญาชื่อว่าปัญธาเหตุนั้น ชนนั้นจึงชื่อว่าบัณฑิตอีกอย่างหนึ่งปัญญาชื่อว่าปัญธาเกิดพร้อมแล้วแก่ชนนั้นเหตุนั้นชนนั้นจึงชื่อว่าบัณฑิตชนใดย่อมดำเนินไปคือย่อมไปด้วยยานาคติเหตุนั้นชนนั้นจึงชื่อว่าบัณฑิตส่วนลักษณะของบัณฑิต พึงทราบด้วยอำนาจสุจริตมีความคิดเรื่องที่คิดดีเป็นต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาละบัณฑิตสูตรอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบัณฑิตลักษณะบัณฑิตนิมิตบัณฑิตตาปฐานะของบัณฑิตสามประการเหล่านี้สามประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตในโลกนี้เป็นผู้มีปกติคิดเรื่องที่คิดดีเป็นผู้มีปกติพูดคำที่พูดดีและเป็นผู้มีปกติทำกรรมที่ทำดีก็คำเป็นต้นว่าสุจินติตะจินตีบัณฑิตพึงประกอบด้วยอำนาจแห่งสุจริตมีมโนสุจริตเป็นต้น